จเจริญ น, นอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถคงเวทนาได้เน่นตุ้ยคงจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางจึงนอนหลับสนิท ไม่รู้สึกรู้ษาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สำหรับให้คนเฝ้าไข้นอน6โมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัดไข้โดยนำปลอดอันเล็กๆมาให้ท่านอมบุรุษพยาบาลจับชีพจรท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนอาที ได้ยินว่าหมอจะผ่าตัดวันนี้ใช่ไหมบุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัด9ก้าโมงพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งนางพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูแลคนไข้รายอื่นๆต่อไปเห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระเจริญ จึงลุกขึ้นนั่งท่านจะต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องอะไรเราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมเขาจะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วจึงปลุกเนนตุ้ยให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อ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 สมพันธ์สั่งลูกวัดรอโยมหล่อมารับไม่ดีหรือครับผมว่าสายสายคงมาถึงเน้นตุ้ยออกความเห็นในหลอกลับไปเมื่อเย็นวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข่ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็ผ่าตัดเสร็จและฉันคงตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยมก็เห็นหน้าก่อนตาย เข้าใจหรื อ, อยังเอาละถ้าเธอไม่พาไปฉันไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงเนนตุย้ยรีบเข้าไปประคองพาท่านมานั่งที่เตียงของตนเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะทัดทานท่านไว้ได้สมเนนวัย19จึงต้องพาสมภานกลับ พยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวลนอยู่กับคนไข้ารายอื่นๆจึงไม่ทันสังเกตบรรพชิตสองรูปที่เดินลัดเลา ะ, ะ, ะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดนั่นแหละจึงจะรู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทำให้พระเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทำให้ท่านทุกทรมานอยู่ในขณะนั้นรีพาเนนหลบออกมาจันได้พระกับเนน พากันเดินมาถึงท่าน้ำจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าประจันแล้วเรียกรถตุ๊กๆุกให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพรอดีขณะนั่งมาในเรือสมพานวัยสามสิบเศษก็ต้องเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่าเออหนะ้าพอกลับไปให้ญาติโยมก็เห็นหน้าแล้ว ข้าก็ขอลายตายละไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้หรอกเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดนายหล่อกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแม่ลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมถูกหมอเขาต่อว่าแทบแย่นี่เขาให้ผมมารับกลับไปส่งโรงพยาบาลอีกลวงพี่ขึ้นรถเถอะครับ คนเป็นคฤหัตบงการข้าไม่ไปข้าจะขอมาตายที่วัดเองอย่ามาบังคับข้าเสียให้ยากเลยจ้างข้าก็ไม่ทําตามต่อให้พระอินตัวเขียวๆมาสั่งข้าก็ไม่ไปสัมภา์ปฏิเสธเสียงดังฟังชัดลุงพี่ไปเถอดเจ้าค่ะอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลยได้ยินว่าโรคที่หลุงพี่เป็นน่ะ ประหลาดมหาจันจรมากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอาตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกใจโ ย, ยมยังไงยังไงอาตมาก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเอาละ่ะอาตมาจะขึ้นไปพักผ่อนแล้วนะ ท่านไล่อาคันตุกะทางอ้อมหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือในหล่อถามเสียงอ่อนลงไม่ไปเองกลับไปทำงานทําการของเองเถอะไว้ค่าตายค่อยมาช่วยทำศพอาตมาต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยง จากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนโดยมีเนนตุ้ยเดินตามหลังในหลอ่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็เป็นห่วงหลงพี่แต่อีกใจก็นึกโกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณะภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คงจะหายเป็นปกติ วันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดเพราะทราบข่าวจากนายหล่อแม้จจลาสิขามากว่ายี่สิบปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบป ร, ริญยนธรรมหกประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมผานอาพาธผมก็เลยจะมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกเนรตุย้ย แท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญขบนเลยโยมมหาหลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาส่งน้ำและขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็ชิงนี้กลับวัดมาก่อนโยมหล่อมารับจะพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมสามมาเนนวัย19้ฟ้องไกรไม่เป็นไรหรอกครับ ผมทราบเรื่องจากนายหล่อหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือปน่นมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเลยเคยรักษาหายมาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุษไว้ห้าสิบเศษขึ้นไปชั้นบน ท่านสมพานเป็นอย่างไรบ้างครับมหาเทียบถามหลังจากทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยโยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลำไส้อีกหมอเขาบอกว่าไส่เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนา ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคิดแล้วก็น่าน้อยใจในโชควาสนาอย่าน้อยใจเลยครับท่านวันนี้มหาเทียบจะมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมเกลือป่นมาเรียบร้อยเงั้นหรือจะปรุงยาอะไรให้อาตมาฉันละ่ะยาเทวดาครับว่าแต่ว่า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 ต้องให้เนนช่วยพยุงไหมครับหัวหน้าสารวัยใกล้เกษียณถามไม่ต้องอาตมาจะใช้กรรมฐานเข้าช่วยท่านกำหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืนยืนแล้วจึงกำหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดตามอิริยาบถจริงในขณะนั้นเข้ามาในบทแล้วมหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยา โดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละกำนะครับเวลาหยิบให้กลั้นใจและบริกรรมว่าพุทธังปัจจขามิแล้วใส่ลงในหม้อกำรรที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าธรรมังปัจจขามิแล้วใส่ลงในหม้อกำรรที่สกลั้นใจบริกรรมว่าสังขังปัจจคามิ แล้วใส่ลงในหม้อภิกษุอาพาธทําตามที่เครือหัดบอกเมื่อท่านหยิบเกลือป่นใส่ลงในหม้อดินครบสามกมแล้วมหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งบนเตาซึ่งเน้นตุ้ยก่อไฟจนฐานคุดีแล้วจัดการสตุเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาวห้าฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคน เขาบริกรรว่าพุทธังปัจจขามิทำมังปัจจขามิสังขังปัจจขามิทำเสร็จเขาจึงตักมาหนึ่งช้อนข่าวส่งให้ภิกษุอาพาธท่านฉันเลยครับผมเห็นจะต้องลามีธุระด่วนเขากราบสามครั้งท่าทางเร่งรีบแล้วลุกออกไปขึ้นรถจี๊ขับออกประตูวัดไปสม่านวัยสาสิบเศษ ฉันยาตามที่หัวหน้าสารสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดทวีขึ้นสักร้อยเท่าถึงกับลงนอนดิ้นและสลบไปสามชั่วโมงเน้นตุ้ยเฝ้ารอให้สมพานฟื้นข่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบสามชั่วโมงสมพานจึงลืมตาและเรียกหาท่านลุงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับ ถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันซักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุติพูดจบจึงเดินกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเร็วๆไปยังกุติได้น้ำแล้วจึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลุกหนอขณะลุกขึ้นนั่ง รับถ้วยน้ําชาจากเนนแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ในทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลําไส้เน่าให้หายได้เอาละค่อยยังชั่วแล้วทีนี้จะปฏิบัติกรรมฐานใช้นี่ไก่ละท่านบอกสมณเนรวัย19เก้า หลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อนนะครับเผื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแรงไปจะได้ช่วยทันรับรองว่าฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกหรอก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 สมเนนไปแล้วสมภารวัยสามสิบเศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนัดชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มทุกขเวทนาได้ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอานิสงของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนบัดนี้คงมอดม้วยมรณาทีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งไปแล้ว สองชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากำรนายเวรคือไก่21อ็ดตัวฝูงนั้นกรรมโนกัฏฐาโนกมรมมปเจกับพุทโธพุทธังทั่วจักรวาลังธรรมังทั่วจักรวาลังสังฆังทั่วจักรวาลังอโหสิกกรรมังข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วปลดอโหสิ ก, กรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน ตกเย็นมาหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมภารเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีทุระปะปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมล่ะโยมมหาเจ้าของกุฏิถามผมกลัวว่าหม้อดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้มไม่แน่เหมือนกันถ้าโยมมาหาไม่รีบกลับออกไปก่อนก็จะเป็นเช่นที่ว่าสมภารตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเควียงผมด้วยหมอ ด, ดินอีกหรือเปล่าครับคนถามตั้งใจสัพยอกเขวียงก็คือคว้าง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 และฉันติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันประกอบกับปฏิบัติกรรมฐานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งโรคกระเพาะที่เป็นอยู่แต่เดิมก็พลอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานให้กับพระาศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานให้กับญาติโยม วันพระนี้นางโถไม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นที่เคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาด้วยนางแนะนำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าอีชั้นจกค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตำบลเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตรจากกันไปยี่บกว่าปีเพ่งจะมาเจอกันนี่แหละอีชันก็เลยชวนมากราบท่าน อยากให้เขามาเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าค่ะอ๋อแล้วโยม อ, อยู่พิจิตเป็นยังไงบ้างอุดม so สมบูรณ์เหมือนเมืองสิงห์บ้านเราไหมท่านถามนางเอ็มก็ด hmm ีเจ้าค่ะแม่อีชั้นมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนี่ลูกสาวสองคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้าน อีฉันได้ลูกเขยสองคนแล้วเจ้าค่ะเป็นหมอคนหนึ่งครูคนหนึ่งคนเป็นแม่ยายหมัดๆมพูดเหมือนกับจะอวดโอ้โหดีจังเลยโยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงร่ำรวยมหาศาลจะรวยยังไงล่ะท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นั่งเอมกังขา อ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือนี่เจ้าค่ะงัินเป็นอะไรละ่ะเขยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองเป็นครูกลองยาวเจ้าค่ะนางเอมตอบเสียงดังฝั่งชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลม โยมเอมนะโยมเอมอุตสาคุยว่าลูกเคยเป็นหมอกับเป็นครูที่แท้ก็หมอตอนควายกับครูกรองยาวพุโทโธพุทธังอ น, นิจจังอ น, นิจจา